ที่เบท่านหนึ่งเนะี่ยชื่อเชอร์เชนรับจำบุญโปเชก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะตอนที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะวันหนึ่งก็มีโยมคนหนึ่งมาที่สำนักของท่านแล้วก็เล่าว่าเนี่ยตอนที่ตัวเองกำลังปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะในฝ่ายวัชรยานเนี่ยเรียกว่า มหาปรมิตาแล้วก็กำลังปฏิบัติได้ดีก้าวหน้าหลังจากที่พูดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติทำขั้นสูงจู่ๆแกก็พูดถึงสำนักหนึ่งขึ้นมานะบอกเนียบอกว่าไม่ชอบสำนักนี้เลยคนที่นั่นเนี่ยหยาบกระด้าง ผู้จ้าก็ไม่สุภาพผมทนคนพวกนี้ไม่ได้เลยท่านลินปช่ก็แนะนำว่าก็ให้รู้จักรักษาใจให้มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวันวหวอะไรมากระทบก็ให้วางใจเป็นอุเบกขา โยงวันนั้นก็บอกโอมันยากมากเลยยากหลังจากที่โยงนนั้นกลับไปเนี่ยท่านหลวงปู่เฉยก็พูดกับลูกศิษย์นะว่าโดยยกคำของสิทธาชาวทิเบตท่านหนึ่งสิทธานี่ก็เป็นนักบวชนะแต่ว่าไม่ได้เป็นพระ ลอนเลพ่พเนจรที่เบร์นี่เขามีนักบวชหลายรูปแบบ น, นอกจากพระแล้วก็มีสิทธาสิทธาท่านนี้เนี่ยท่านเคยพูดว่าเนี่ยมีบางคนอวดว่าเคี้ยวหินได้แต่ว่าแค่เคี้ยวเนยยังเคี้ยวไม่ได้เลยอันนี้ท่านริมโพเชนี่กาลังจะพูดว่าเนี่ยคนบางค น, นอวดว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมขั้นสูงถ้าเป็นแบบ เทราวาดก็ประเภทวา่าได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงศูนย์จิตาหรือว่าลดละตัวตนได้ไม่มีตันหาอุปทานแล้วปล่อยวางแล้วแต่ว่าเวลาเจอคนที่ไม่น่ารักทำตัวไม่น่ารักนี่ก็กลับหงุดหงิดลำคาญ ทำนองนั้นนะนะท่านก็เลยเปรียบว่าเนี่ยคนบางคนอวดว่าเคี้ยวหินได้นะแต่ว่าเคี้ยวเหนยไม่ได้ไอ้เนยเนี่ยมันมันนุ่มกว่าหินนะถ้าเคี้ยวเหนือยยังไม่ได้เี่จะไปเคี่ยวหินได้ยังไงอันนี้ท่านก็อธิบายหมายความว่าเนี่ยไอ้การที่จะอยู่กับคนที่ มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักนี่มันมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยทีเดียวถ้าหากว่าแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยจะการปฏิบัติธรรมขั้นสูงมันจะเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะสําหรับนักปฏิบัติธรรมพราะหลายคนนี่จ้องแต่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงน แต่ว่าละเลยการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นพื้น ท, ทั้งที่การปฏิบัติธรรมขั้นพื้นพื้นหรือขั้นพื้นฐานนี่มันสาคัญสำคัญต่อการบรรลุธรรมขั้นสูงจะเข้าถึงสุญญาตาเข้าถึงภาวะอนัตตาเห็นแจ้งนะชัดเจนในปฏิจจสมุปบาทได้นเพราะมันต้องมี ธรรมะพื้นฐานเนี่ยเป็นส่วนหนุนส่วนเสริมนะถ้าว่าอวดว่าเนี่ยโอยฉันไม่มีตัวไม่มีตนละนะไม่ยึดมาในตัวตนลนะแต่ว่างานบ้านนี่ก็ยังให้พ่อแม่ทำไม่ค่อยมีน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ซึ่งแก่ชราได้แต่เอาบุญมาฝาก แต่ว่าไม่เคยช่วยงานบ้านางเงี้ยอันนี้มันก็ก็คงไม่แตกที่ท่านกรนโปรเชรว่าเนี่ยคนบางคนอวดว่าเขี่ยวหินได้นะแต่ว่าแค่เคี่ยวเนยก็ยังทําไม่ได้อวดอ้างว่าบรรลุรมขั้นสูงหรือว่าไปได้ไกลแล้วตัวตนเบาบางแล้วดูแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นเราแต่ว่าก็ยัง ไม่มีน้ำใจหรือว่าเจอใครที่ทำตัวไม่ถูกใจผู้ไม่ถูกใจก็ทนไม่ได้หงุดหงิดลําคาญหรือโมโหโกรธาอันนี้มาแสดงว่ามันมีความบกพร่องแล้วอาจารย์ทิเบตท่านหนึ่งก็พูดนะว่านเนี่ยท่านก็ยกนะกล่าวเป็นอุ ป, ปมาณปวมยได้ดีว่า ถ้าหากว่ายังไม่ยังไปไม่ถึงฝั่งเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงทะเลเนะมองคนนี่พูดถึงทะเลเนะขณะที่ตัวยังไม่ถึงฝั่งนะให้ระวัข้ามขั้นตอนไปจริงพุทธศาสนานี่ท่านให้ความสําคัญกับธรรมะพื้นฐานนะแต่ว่าแม้ว่าจะเตือนให้เราระ ล, ลึกถึงธรรมะขั้นสูงแต่ว่าก็อย่าทิ้ง ทำมาพื้นฐานเอาตัวอย่างง่ายๆนะในโอวัตถปฏิมโ ม, เมออกเนี่ยมีตอนหนึ่งทศพวดเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายกราวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งหมายความว่าให้เตือนเป็นการเตือนใจนะผู้ใฝ่ธรรมว่าเนี่ยให้จิตนี้มุ่งต่อพระนิพพานนะอย่าหวังหรืออย่ามุ่งเพียงแค่มีเงินมีทองมีโชคมีลาบหรือว่า มีความสำเร็จทางโลกมันต้องมีพระนิพพานเป็นที่หมายแต่ในเวลาเดียวกันในพระสูตรเนี่ยนะหรือในธรรมะโอวัทถปฏติโมเนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงธรรมะขั้นพื้นฐานอยู่ในจิตวาสูตรเดียวกันเลยก็ได้นั่นคือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏติโมก รู้ประมาณในการบริโภคนอนและนั่งในที่อันส ง, งดมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง6ปปะการเนี่ยนะจะว่าไปมันก็เป็นพื้นฐานนะเป็นธรรมะระดับพื้นฐานเลยทีเดียวที่พู้เจ้าจัดคู่กับธรรมะขั้นสูงคือนิพพานทำไมถึงจัดคู่กันนะเพราะว่ามันแยกจากการไม่ออก ธรรมะพื้นฐานธรรมะง่ายๆนี่แหละนะที่จะพ่าไปสู่ธรรมะขั้นสูงคือนิพพานในคำหมายเข า, าเนี่ยถ้าจะมุ่งนิพพานเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่าพูดร้ายอย่าทําร้ายซึ่งมันจะว่าไปก็เป็นเรื่องศีลนั่นแหละนะการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายความสมบูรณ์นในปาติโมกความรูปรมาณในการบริโภคการนอนการนั่งเหนือที่อัสงะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายวาจาเป็นเรื่องพฤติกรรม ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานมากนะถ้าจะจัดก็เป็นเรื่องของศีลนะนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องของโล ก, กุตตรธรรมปรมาท ธ, ธรรมเลยนะขณะที่ไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายเนะี่ยสมมุติในปฏิโมกรู้ประมาณในการบริโภคนอนนั่งในเทีสงันนี่มันเป็นเรื่องของที่เรียกว่าโลกิยธรรมก็ไดนะ้เป็นเรื่องของความดีความชั่วนะขณะที่นิพพานนี่เรียกว่าเหนือดีเหนือชั่ว แต่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากนะเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องพื้นฐานเนี่ยเช่นการไม่พูดร้ายเนี่ยไม่พูดร้ายนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่พูดปลดอย่างเดียวนะแต่หมายถึงไม่พูดว่าร้ายใครไม่พูดใส่ร้ายซึ่งถ้าจะว่าไปถ้าดูให้ละเอียดก็รวมถึงว่าไม่พูดดินทาด้วยหรือส่อเสียดบางคนบอกวฉันก็ไม่พูดร้ายเนี่ยแต่ว่าชอบดินทาาเงี้ย การนินทานี่มันก็เป็นการพูดไรอแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนมันก็ไปใส่ไรเขาแต่ควรจะไม่น้อยเนี่ยแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่บอกว่านี่ปากมุ่งนิพพานหรือใจจะมุ่งนิพพานก็แล้วแต่แต่ว่าอดไม่ได้ที่จะชอบนินทาการนินทาเนี่ยทำไมคนชอบนะเพราะว่ามันมีความสุขนะหรือว่าเป็นความสุขแบบสะใจก็ได้สุขทําไมถึงสุขนะสุขเพราะได้ระบาย ระบายได้ระบายอารมณ์เพราะส่วนใหญ่ก็ดินทาก็ดินทาคนที่ตัวเองไม่ชอบนินทาคนที่ตัวเองรำคาญหรือว่าโกรธเกลียดยิ่งดินทาก็ยิ่งเกิดอาการเมามันนะนี่เรียกงความสุขจะเป็นความสุขที่เกิดจากการระบายอารมณ์ระบายความโกรธแล้วถ้าดูให้ดีมันไม่ใช่แค่ระบายอารมณ์นะมันเป็นการตอบโต้เป็นการแก้แค้นด้วยเพราะ ส่วนใหญ่เนี่ยเรานินทาคนที่เขาทำให้เราทุกข์ใจหรือทำให้ทให้ถูกใจหรือว่ามากระทบกระทั่งเราเราก็ไม่เกตอบโต้อย่างไก็ตอบโต้ด้วยการนินทานะซึ่งมันก็เป็นการแก้แค้นแบบหนึ่งถ้าจะว่าไปมันก็เป็นความคิดที่ เรียกว่าเจือไปด้วยความพยาบามนะเพราะพอพยาบามแล้วมันก็อยากจะแก้แค้นจะตอบโต้แต่ดูให้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโทสะหรือกิเลสท่านหยาบเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ยังละไม่ได้เนี่ยหรือยังไม่รู้ทันหักข้ามใจไม่ได้เนี่ยมันจะไปพูดถึงนิพพานได้อย่างไรนะจะไปพูดถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะจะไปพูดถึงการละตัวตนได้อย่างไรนะเพราะว่าเรื่องพื้นฐานท่านยังทําไม่ได้ แล้วก็จํานวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนี้นะหลายคนที่อวดล้างว่าใ น, นฉันมุ่งนิพพานหรือว่าฉันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระไตรลักษณ์มุ่งเพื่อมุ่งปรมาทธรรมแต่ว่าเรื่องพื้นฐานง่ายๆนี้กลับทําไม่ได้หรือว่าละเลยหรือบางคนก็หนักกว่านั้นนะก็อาจจะประเภทว่าเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นกินแรงคนปากก็อ้างว่าเนี่ยฉันไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว แต่ว่าพอจะพูดถึงการละความเห็นแก่ตัวไม่กินแรงคนอื่นนะกลับทำไม่ได้หรือว่าไม่สนใจที่จะทำอันนี้ก็เรียกว่าในเมื่อนะเคียวเนยยังไม่ได้เลยนะจะไปเคียวหินได้ไงที่พวกอวดที่พวกเคียวหินนี่ก็เป็นแค่การอวดอ้างนะคุยโวเท่านั้นเอง เรื่องอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทำต้องระวังเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็มีอยู่เยอะนะทั่วๆไปเห็นไดนะ้อันนี้เพราะว่าไปให้ค่ากับเรื่องที่มันเป็นธรรมะขั้นสูงจนมองข้ามหรือดูแคลนธรรมะขั้นพื้นฐานถ้าเทอทไปแล้วเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไว้ในโอทัปติโมนเนี่ยกประการเนี่ยนะ 5ข้อเนี่ยหข้อแรกก็เป็นเรื่องของศีลนะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจามีข้อเดียวข้อสุดท้ายที่เป็นเรื่องการฝึกจิตนะความหมายประกอบในการทับจิตให้ยิ่งซึ่งในบางแง่เนี่ยถ้าบางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เ, เป็นธรรมะขั้นสูงนะเพราะว่าศีลเนี่ยนะมาก่อนสมาธิจึงจะตามมาทีหลัง การหมา่ประกอบในทางในการทำจิตให้ยิ่งก็เป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาสมาถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้ามอยดีๆนะการที่คนเราเนี่ยจะไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายรู้จักประมาณในการบริโภคสํารวจในปฏิโมกเนี่ยนอนหน้อยที่อันสงัดได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานนะคือความรู้สึกตัว ที่พูดไว้เมื่อวันก่อนนะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรมยุติอุปการะมากอุปการะมากเพราะว่ามันเกื้อกูลต่อชีวิตและการทํากิจไม่ใช่แค่การทํามาหากินแต่ที่สมคัญคือเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการทําความดีทั้งมวลนะฉนั้นจะไม่พูดร้ายไม่ไม่ทำร้ายแล้วก็ไปจนถึงการนอนการนั่งในที่สงัดได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานกว่านั้นนะคือความรู้สึกตัว แล้วความสึกตัวจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการบาเพ็ญทางจิตด้วยหมอในง่ายๆเนี่ยความสึกตัวก็เป็นพื้นฐานนะเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานนะที่จะหนุนไปสู่นะไม่ใช่แค่การมีศีลที่ดีนะแต่ว่ายัางเอื้อต่อการเข้าถึงพระนิพพานรือทีเดียวด้วยนี้เนี่ยการทำความสึกตัวเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะ มองข้ามไม่ได้แม้ว่าตาเนี่ยจะมองไปที่พันิพานจะมองไปที่ปรมาต ธ, ธรรมนะหรือว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้ให้กระจางในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะหรือบางคนก็อวดอ้างว่าเข้าใจแล้วนะแต่ถ้าว่าความสึกตัวยังไม่ยังไม่ดีพอยังไม่แน่นพอนี่มันก็ ยากนะรนั้ถ้าเกิดคนเราเนี่ยกลับมาที่พื้นฐานเนี่ยทำความสุขตัวให้เกิดขึ้นในการที่เราจะมีศีลที่ดีเริ่มต้นด้วยการไม่เบียดเบียนนะแล้วต่อมาเนี่ยขยับไปสู่การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่แล้วต่อไปก็ไปสู่การ รู้จักรักษาใจไม่ให้วันไหวเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าเสียงดังคนรอบตัวที่ทำตัวไม่น่ารักจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสำนักก็สามารถที่จ ะ, ะรักษาใจให้ปกติได้ใครก็ทำอะไรไม่ถูกต้องกับเรื่องเขาข้อสำคัญคือเราต้องรักษาใจเราให้ถูกต้องกัน คือไม่โกรธไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่อาคาดไม่พยาบาทและตรงนี้แหละนันมันจะเป็นพื้นฐานไปสู่ธรรมะขั้นสูง ต, ต่อไปถึงเวลาเจอความเจ็บป่วยเจอความพัดพลา ด, ดสูญเสียก็สามารถรักษาใจให้ปกติได้เสียทรัพ์แต่ใจไม่เสียป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยมันก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ว่านี่แหละ ก็คือว่ามีความสึกตัวไม่เอาเปรียบใครมีน้ำใจเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รักษาใจให้ปกติไม่ว่าเวลาเจอการกระทำและคำพูดที่ไม่ถูกใจถ้าตรงนี้ยังทำไม่ได้เนี่ยไอการที่เราจ ะ, ะสามารถยกจิตให้อยู่เหนือความผันพนป ล, น, ปลนแปลงของโลกเช่นความสูญเสียทรัพย์การ สูญเสียคนรักหรือความเจ็บป่วยมันก็ทำได้ยากและยิ่งพูดถึงเรื่องของการละตันหาอุปทานความยึดความอยากหรือกิเลสขั้นกลางขั้นละเอียดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าว่าพื้นฐานยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยนะแ ม, แม้ว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายที่ดีงามสูงส่งเพียงใดนะก็อย่าลืมนะธรรมะ ขั้นพื้นฐานเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นก็มันก็ตึกสูงกันนะตึกสูงมันก็ต้องมีฐานที่แข็งแรงมั่นคงจะสูงกี่ร้อยชั้นเนี่ยถ้าฐานไม่มั่นคงแล้วมันก็พังคลื่ลงมาได้ง่ายนะหรือเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันจะสูงแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอ ย, อยู่กับรากนะถ้ารากยังลึก และแผ่กว้างเนี่ยมันก็เป็นฐานค้ำยันลำต้นที่สูงนะให้พังงาขึ้นฟ้าได้เรียกว่าสูงเทียมฟ้าก็ได้ถ้าว่ามีรากที่ยังลึกเย่นงถ้าเกิดว่าเรานะคิดแต่ว่านะจะมุ่งธรรมะขั้นสูงเพียงเพื่อจะไปอวดนะว่าอวดครูบาอาจารย์ว่าฉันนะปล่อยวางแล้วนะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะ แต่ยังอดคุยโวไม่ได้เงี้ยอดคุยโอ้อวดไม่ได้เงี้ยอันนี้แสดงว่าสอบตกเลยนะเพราะว่าถ้าคนที่มุง่งคนที่มุ่งหรือได้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงนี่ในการคุยโวเนี่ยมันมันไม่มีแล้วล่ะเพราะเราคุยโวรหรือโอ้อวดเพื่ออะไรก็เพื่อสนองอัตตาเพื่อปลนเปลอืออัตตาซึ่งมันเป็นกิเลส ที่เรียกว่าขั้นหยาบก็ได้นะไอการสนองอัตตาด้วยวิธีนี้นคุยโวโ อ, โออวดอวดคูบาอาจารย์หรือว่าอวดคนนั้นคนนี้นะอย่างที่เคยพูดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อวดกันทางเซลฟ์ทางโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็อวดแบบหยาบนะอวดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะสวยงามซึ่งเป็นเรื่องที่หยาบมากเพราะเป็นเรื่องของภายนอกแต่แม้กระทั่ง นะคุณธรรมภายในเนี่ยนะถ้าเรามีแล้วเราเผลออวดเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าไอ้ความยึดมั่นในตัวกลวงก็ยังมีอยู่แนละเพื่อนี้ถ้าเราจะฝึกลดละความยึดมั่นในตัวกลงก็ต้องฝึกด้วยการลดความโอ้อวดนะการอยากโชว์ไม่ว่ากับใครก็ตามหรือ ลดในสิ่งที่มันยากกว่า น, นั้นนะเช่นอย่างที่พูดเนี่ยการชอบว่าร้ายการใส่ร้ายการนินทาเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเป็นพฤติกรรมที่แย่กว่าการไปโอ้โอวดนะคุณธรรมความดีของตัวเองซะอีกมันเป็นกิเลสที่เรียกว่าหยาบกว่าถ้ากิเลสที่หยาบแบบนี้ยังละไม่ได้เนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องตัวกูละตัวกู นะพูดถึงเรื่องบรรลุธรรมขั้นสูงหรือบรรลุปรมัชธรรมนะมันยิ่งไล้ความหมายกลายเป็นาการาถ้อยคาที่กลวงเปล่าๆเพราะนั้นเนี่ยนะอย่าลืมนะกลับมาที่ธรรมะขั้นพื้นฐานอยู่เสมอซึ่งจะ่าแปลก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะเป็นเรื่องจริยธรรมนะ จะเข้าใจสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งได้เนี่ยต้องอาศัยจริยธรรมเป็นพื้นฐานสัจธรรมก็คือเรื่องของอความจริงที่ลึกซึ้ง เ, เช่นปฏิจจสมุปบาทเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เ, เข้าใจเข้าถึงภาวะที่ไร้ตัวตนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก สัจธรรมเนี่ยถ้าเข้าถึงอย่างแท้จริงมันก็พาจิตเข้าสู่ปรมัตทธรรมแต่ว่าจะทํอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐา น, นที่เ ร, รียกว่จริยธรรมจริยธรรมมันก็จะว่าไปก็เป็นเรื่องของโลกียธรรมนั่นแหละไม่ใช่โลกุตรธรรมแต่จะเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ไงถ้าโลกียธรรมเนี่ยยังทําไม่ได้คำว่าโลกียธรรมนี่มันไม่ใช่หมายคำว่าเรื่องของโลกีนะแต่หมายถึงว่าเป็นเรื่องของ ความดีความชั่วนะเรื่องของการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเรื่องความมีน้ำใจยังมีดีมีชั่วมีเป็นเรื่องคุณธรรมนั่นแหละนั้นจะเข้าถึงโล ก, กุตต ร, รธรรมหรือปรมัตธรรมได้เรื่องคุณธรรมเนี่ยสำคัญและคุณธรรมพื้นฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายนะไม่ส่อเสียนไม่นินทาแล้วก็กระเถิดไปถึงการ มีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ต่อไปก็สามารถที่จะรักษาใจให้อยู่เหนือการกระทบกระทั่งได้เจออะไรที่ที่มากระทบนะก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ชัดว่าทุกข์หรือทุกข์หรือสุขเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าวางใจเป็นอะไรมากระทบมันก็ไม่ทุกข์ แม้คนรอบข้างจะเห็นแต่ตัวเอาเปรียบจู้จี้ขี้บนแต่ใจก็ยังสงบได้เพราะว่าวางใจเป็นอย่าง น, น้อยก็มีสติมีความรู้สึกตัวมีสติรู้ทั น, นความคิดอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันคลองใจซึ่งต้อง ก, กลับมาตรงที่เรื่องของ ความรู้สึกตัวที่อย่างที่บอกนะมันคือพื้นฐานเลยนะของการปฏิบัตินะแต่ว่าแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเนี่ยนะคนก็จํานวนมากก็มองข้ามนะเห็นว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องพื้นๆฉันมีอยู่แล้วความรู้สึกตัวนะอยากจะมุ่งเรื่องฌานไปเลยนะเอาให้เข้าถึงฌานนะฌานหนึ่งฌานสอฌานสาฌานสีฉันจะเอาให้ได้แต่ว่า ไม่สนใจความรู้สึกตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าข้ามขั้นนะมันก็เหมือนการที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงได้มันต้องรู้เรื่องนะเลขคณิตเบื้องต้นก่อนการที่คนเราเนี่ยจะมีความรู้สูงระดับด็อกเตอร์อย่างน้อยต้องอ่านออกเขียนไดนะ้แล้วก็รวมทั้ง รู้เลขคณิตขั้นพื้นฐานที่คือเรียกว่า 3R เนี่ยะภาษาฝรั่งเนี่ย Read, Write, Arithmetic เนี่ยหรือถ้ามีพื้นฐานเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมีความรู้ชั้นสูงต่อไปได้ในทอเดียวกันถ้าเราจะบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยปรมัตถธรรมก็ดีนิพพานก็ดีนะหรือแม้แต่การเข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์ก็ต้องไม่มองข้ามนะ เรื่องของความรู้สึกตัวแล้วก็ซึ่งเป็นพื้นฐานของจริยธรรมอันจะนําไปสู่การเข้าใจเรื่องสัจธรรมที่จริงแม้กระทั่งการบริโภคเนี่ยนะก็สําคัญกันนะมีบางคนบอกว่าเนี่ยยิปทานก็อยากได้นะแต่ว่ายังติดหนังเกาหลีซีรีส์เนี่ยเลิกไม่ได้สักทีอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ายังยังติดซีรีส์นะยังติดซีรีส์ละครติดซีรีส์ ทลอท่นเนี่ยเรื่องนิพพานไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคเหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอยังเสพติดยังพึ่งพ า, าสิ่งที่เรา ก, การมาสุขจะพิเพว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแทนที่จะเสพวันละชั่วโมงเรียกว่าเสพทั้งคืนเลยแล้วก็ยังเสพต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนิพพานแล้ว นั้นจะเข้าถึงวิพปานได้หรือเข้าใกล้มันต้องรู้จัก้ากนะหรือว่าให้ความสำคัญกับธรรมะพื้นฐานที่พุทเจ้าตัดเนี่ยรู้จักประมาณในการบริโภค